อยากที่เราได้ฟังพระธรรมประเทศศาสนาของพระพุทธเจ้าในวันที่แสดงพระธรรมจั ก, กรประพฤติรรสูตรตั้งแต่วันเพนเดือน8หลังจากการตัดสู้ได้หนึ่งเดือน ทองเดือนเลยต่อจะรู้วันเป็นเดือนหกงานแสดงทมในวันเป็นเดือนแปดธรรมาเทศนากันนี้เราจงได้ฟังอยู่ขณะนี้นานมาแล้วสงคนห้ารย เก้าสิบกว่าปีนับจากคมกัรตัดชรลูดสี่ห้าปีเรามีพุทธศักราชนับตั้งแต่วันปฏิญิาภานก็ไรสองพันห้าร้อยห้าสิบสามบวกก็ไปสี่สิบห้าก็ไปอกีกเป็นเก้าสิบกว่าปีสองพันห้า้อยเก้าสิบกว่าปีเรา <c oughs> ในบรรพุลุดของเราระหานทั้งหลายสาวกทั้งหลายได้ผากันร้อยกลองขึ้นไว้เป็นพระใตรปิดุกเราก็ได้หลักฐานสมบูรณ์แบบก็นำหลักฐานนั่นมาใช้กระทำปฏิบัติตามรอยยุคนปอด นันก็เกิดเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก่อ <c> น <oughs> <c oughs> ที่พุทธองค์จะแสดงธรรมกันนี้ได้ทำอะไรเรามาจับตรงนี้ก่อนจะมจึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ก่อนไม่ได้มีเกิดมาจากการกระทำ คือกรรมฐานในบนเพลงเดือนหกนั่นนะพระองค์นี่ทมทดลองมาตั้งแต่แสวงหามโมกธรรมตั้งหกปีหลังจากการอบอวนไอ้ทดลองหลายรูปหลายแบบจากครัวาจานสมัยนั้น มีอุกตกาดาบทอาลาดาบทที่มีชื่อเสียงโด่งดังนอกจากนั้นก็มี ใ, ใครเดาใครครูทั้งหกเชียงมาเชีงยงไหลกันเป็นการพิสูจน์มาแล้วว่ามันเท็จจริงอย่างไรจนวลาแสวงหาด้วยตัวเอง <c oughs> <c oughs> ในวันเพนแดนหกนั่น 6ปีให้ทำอย่างไรในคืนวันนั้น <c oughs> เราก็ได้ทราบแล้วแต่ควรที่จะทบทวนให้มันชัดเจนขึ้นมามีหลักมีฐานงาเช่นไยพระองค์ได้มานั่งอยู่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ีมหาโพธิ์ก็ยังมีอยู่ ตรงที่ฟังในรังชาลาตะวันออกที่ฉันเข้านางสุชดาก็ยังไม่อยุ่แต่วานที่นั่นพวกฮินดูเขาทาเป็นเอกลักษณ์ของฮินดูไว้ที่นั่นไม่เหมือนสีมหาโพมีต้นโพมี แห่นจิลาอานมีสถูกที่เป็นหลักฐานแต่พระองค์ได้ทำอย่างไรพระองค์ได้นั่งขัดสมาธิลงคู่วันหลังอันหน้าหา น, นพระพักไปทางที่วันออกที้ ยกมือเคลื่นอนมือเข้ายกมือเข้ายกมือออกคู่แขนเข้าคู่แขนออกมีสติเลิมตนตรงนี้เป็นกรรมฐานเกิดขึ้นในวันนั้นเอากายเอาใจเป็นตำลาจากศึกษามาหลายรูปแบบในพิธีกรรมมิตดีมันเอากายเอาใจเนี่ย เป็นหลักสูตรเข้าไปเลยดูมันจะเกิดอห ล, หลขึ้นในกายในใจนี้แล้วก็ได้เห็นจนเกิดได้แสดงเรื่องนี้โดยตรงเรียกว่าธรรมจักกวาตรสูตรเรื่องที่มันพบเห็นไม่ใช่เรื่องคิดเห็นได้ทำกับมือได้เห็นกับตาที่มันเกิดกับ ใจกับใจว่ามันเป็นเท็จเป็นจริงอย่างไ ร, รง <ide> เราก็มาทําตรงนี้มาศึกษาตรงนี้กันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาเราทําอย่างนี้นี่สติไปในกายมันเห็นอะไรในกายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับกายมันเกิดขึ้นกบใจมันมีอะไรเราก็ได้เห็น มันเป็นอย่างไรมีสติมันปีเจ้วข้องกับอาการที่เกิดขึ้นอย่างไรเห็นมันหลงเห็นหล ง, ลงหรือเป็นผู้หลงนี่หละตรงนี้จะเป็นเป็นการเล่นกับเบษษษียอัสฉิอย่างแหลกแหลกกลานไปเลยแล้วเนะี่ย ทุกขปฏิบัติธรมไรมันผิดทางอย่างไรมันมีทางอย่างไรปฏิบัติอย่างไรทางมันอยู่ตรงไหน การมาสุขานิกาดโยโคโอัตถะจิมธาอโยโคมัดเข็มงานปฏิปทามันมีทางอยู่อย่างนี้มันเป็นอย่างไรในเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเรากามาสุขานิกาดโยโคลมันหลงเห็นมันหลงเป็นผู้หลง ในระบบากรมสขันธ์กาดิโอกโอเดเอเกินไปวันเกิดไหลขึ้นกนัเป็นไปตามมันไม่ค่อยจะเกิดผลถ้าหลงเป็นหลงในระบบกรรมขันธ์กาดิโอกไม่ถูกทิศถูกทางตดนหลงดูแล้วหลงครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นกันเป็นหลงที่สองก็เป็นหล ง, ส, ง, ลงสามก็เป็นหลง หลงเป็นหลงอยู่ไปไม่ถึงไหนนี่ก็ไม่ใช่ละทีนี้ทําไงตรงเนี้ยถ้ามันหลงเกิดขึ้นอ่ะอันหลงเอาอันหลงอันเดียวกันเกี่ยวข้องกับความหลงอย่างไรเดี๋ยวแล้วมันหลงเห็นมันหลงต่างกันบอันหนึ่งเป็นผู้หลงอันหนึ่งเห็นมันหลง พอเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงง่ายๆอุ้นจากความหลงอันนี้แล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทาถ้าหลงเป็นลุดของความหลงให้หลงเป็นหลงเอาริงเอาจัง ก็ไม่ไม่ชอบความสงบดีความพุ่งซ้อนไม่ดีเอาดีเอาไม่ดีอันเกิดขึ้นเช่นเราทําไปนอกจากความหลงนอกจากความคิดนอกจากความพุ่งซ้อนมันก็มีความสงบบรต้องการความสงบ ไม่ต้องการความผงสารชอบความสงบเวลาเห็นผิดไม่ชอบเวลามันถูกชอบนี่หรือว่าอัฐิมัทฐานโยโขมันตึงเครียดเอาผิดเอาถูกเอายากเอาง่ายให้ยากเป็นยากให้ง่ายเป็นง่ายเป็นเป็นทางอันสุดเป็นทางอันหนึ่งอีกเหมือนกัน แล้วยากถ้าปฏิบัติแะเนี้เอาไปเผิดเอาถูกเอาได้เอาไม่ได้ไปให้ได้เป็นไ ม, ไ, ไ, ปไม่ได้ไปให้ไม่ได้เป็นไปเป็นได้เอาความได้ความไม่ได้เป็นฉิ่งเป็นเกณฑ์ขีวัตรเอาผิดเอาถูกเป็นเกณฑ์ขีวัตรไม่อยากให้มันผิดมันอยากให้มันถูกอย่างนี้เป็นเกณฑ์ขีวัตร ก็ไปไม่ถึงไหนเราจึงมาเห็นมันมันผิดเห็นมันผิดมันถูกเห็นมันถูกมันทูกเห็นมันทุกมันสุกเห็นมันสุกนี่รู้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาอะไรมันสะดวกอะไรมันไม่สะดวกอะไรมาสุดโต่งอะไรเป็นทางตัน เราองเล่นอยู่เนี่ยแล้วก็ได้เห็นเรื่องนี้เหมือนกันเป็นล่งลอยเป็นทางผ้าบาบาทขององค์เราทำไปก็เห็นแบบนี้อาจจะยากกว่าเรานะสมัยนั่นพระศิทิธรระนะไม่มีมิตรไม่มีเพื่อนทั้งองก็เป็นสุขุ ม, มาราชาตก็อยู่ประสาทราชาวัง สามฤดูฤดูร้อนหลังหนึ่งฤดูหนาวหลังหนึ่งฤดูฝนหลังหนึ่งมีบริวารเมื่อเมื่ออยู่ในป่านิดงคนเดียวเนี่ยผู้เดียวชีวิตเดียวเนี่ยมานั่งอยู่ใต้ร่มต้นไม้ด้วย ก็คงจะเปรียบเทียบกับประศาตรสาละดูโอ้ยมีลูกมีเมียเคยมีทรัพย์สินเฉดึงขาดเมื่ออยู่ลมพังอย่างนี้จะเป็นอย่างไรอาย่อมมีร่องรอยแห่งความเคยคินที่ใช้ชีวิตมาสามสิบกว่าปีสามสิบห้าปีก็เลย คงกยากกว่าเราคิดถึงเรหุลนบางคิดถึงคิมพาร่างคิดถึงประชาชนทุกบ้างคิดถึงราใช้มาา ส, าสมบัติทรัพย์สิสนสะดึงคานบางทีอาจจะคิดถึงพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยซึ่งมีกระแสที่จะเป็นไปได้ในสมัยนั้นนะเพราะเป็นเจ้เาพระชายที่มี คุณธรรมคุณภาพสูงสุดเป็นความหวังของยาตวงศสารวงศ์ทั้งสองตระกูลสารีวงศ์โลเกียวงศ์าจะคิดถึงไปด้วยก็เลยเมื่อเป็นเช่นนั้นก็กลับมาเล่นมันแหลกอย่นี่ยเหมือนคิดไปกลับมา มันจะทุกข์กลับมามันจะสุขกลับมามันจะพุ่งสั่นกลับมามันจะสงบกลับมามาลู่มาเห็นไอ้รููสึกตัวรู้สึกตัวลู่สึกตัวว่าที่รู้สึกตัวมันลู่ซื่อเนี่ยลู่ซื่อไม่มีรสชาติตรงนี้ะปะเดี๋ยวทำเราจนแหลกแล้วแต่ก่อนมันก็มีรสชาตินะทุกข์ก็มีรสสุข ก, ก็มีรส ผิดก็ไม่รส ถ, ถูกก็ไม่รสตัวบนรล้ซื่อเข้าไปนะ่ยมันไม่มีรสชาติต่ว่าที่ซื่อมันคื อ, อยังไงก็เลยมาเป็นคาบอกคาพูดว่ารู้ซื่อให้เห็นอยากเป็นเหมือนทุกเห็นเหมือนทุกไม่เป็นผู้ทุกคนจอบทุกนี่คือรู้ซื่อ มันผิดเห็นมันผิดไม่เป็นผู้ผิดพ้นจากความผิดคือรูสื่ อ, อมันเกิดอะไรขึ้นก็ตามกับกายกับใจไม่เป็นไปกับมันแต่ก่อนเมื่อกายมันเกิดอะไรขึ้นมาก็มักจไปร่วมกันสังขารปวงไปจนถึงการเกิดดับเกิดดับ ถ้าเป็นสังขารล้วก็มีคู่เป็นวิสังขารสังขารคือปุ่งวิสังขารคือไม่ปุ่งมันเป็นคู่กันแบบนี้ก็เห็นทดลองไปทดลองไปเหมือนกันลรปฏิบัตินี่แหละไม่ใช่ว่ามันจะยากไม่ใช่ว่ามันจะง่ายถ้าทำถูกมันเห็น มันปุ้งมันก็เห็นอันไม่ปุ้งมันทุกข์มันก็เห็นอันไม่ทุกข์มันสุขมันก็เห็นอันไม่สุขเนี่ยมันมีทางแบบนี้เห็นทางแบบนี้ทางมันบอกแล้วสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์มันลําบากมันมันไม่ค่อยง่ายถ้าโกรธเป็นโกรธผิดเป็นผิดนี่ก็มันก็ไม่ไปถึงไหนมันตัน ได่เห็นเนี่ยมันโล่งโล่งไม่เป็นเนี่ยโล่งกว่าไม่มีที่ให้ตั้งซักสะพานที่ให้มันเป็นรสชาติมีมันมาก็มันมามันก็มีมาแต่ว่าไม่รับมันมันคิดก็ได้ประโยชน์จากความคิดหลงกว่าทุ่มหลงแท้ๆทำมาเกิดความลู้ขึ้นมาทุ่มทุกข์แท้ๆทำมาเกิดความรู้ขึ้นมา ควสุขก็ทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาอันเดียวเนี่ยเป็นหลักเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันหลงเห็นหลงครั้งที่หนึ่งมันได้อะไรมันทุกข์เห็นทุกข์ให้เป็นทุกข์ไปถึงไหนมันอะไรก็ตามเกิดขึ้นเห็นมันมันไม่เป็นไปก็ไปทุกอย่างมันก็หมดแรงหมดเชื่อ หมดโอกาสไม่มีที่ตั้งไม่มีต้นรับเพราะเห็นไม่เป็นเนี่ยยิ่งใหญ่สิแล้วเป็นความยิ่งใหญ่เป็นเจ้าของไม่มีอะไรทําให้ได้อันภาวะที่เห็นภาวะที่ไม่เป็นเนะี่ยรัดลัดไปตรงนี้นะปฏิบัติทำแค่นี้มันลายมั น, ม, นมันมีอะไรบ้างถ้าว่าเห็นไม่เป็นมันคือเรื่องอะไรมันทุกข์เก่มันทุกข์ ไม่เป็นผู้ทุกข์กนเจ้าควงมทุกข์น่มันคืออะไรเหมือนก็ละความชั่วเหมือนก็ทำความดีเหมือนก็ทำให้จิตบริสุทธิ์เป็นอะไรแล้วความชั่วคืออะไรละความชั่วเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาความหลงไปถึงไหนไปถึงปัญญาแฉยๆแต่คความหลงไปถึงปัญหา มันเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามาดูดีๆแล้ว ม, มันมันมีนกางกระทําเกิดขึ้นหลายอย่างได้เป็นพโมจันร์ก็บริสุทธิ์แล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยมันบริสุทธิ์แล้วก็เป็นนักบวชหรือว่ามีบารมีแล้วไ้เห็นไม่เป็นทุนเจากพาะวะที่เป็นนั่นมา มันก็เป็นไรมันบริสุทธิ์เราจะเป็นนักปวดหรือถ้าจะเป็นผู้ถือศีลก็ศีลบริสุทธิ์ไม่ด่างค่อยถ้าเป็นสุขเป็นทุกข์ผู้เป็นพอใจไม่พอใจมันด่างค่อยไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์ไม่มีเบื้องโทษไม่มีท้ากลางไม่มีที่สุดก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าเล่นอยู่แถวด็กแหลกลานไปเลย เดี๋ยวอ่อเดียวสัทวสี่เจอเข้าไปเลยไม่ได้นอนชาเลยเข้าวงภายในไปเลยของแคตของกิงไปเลยแหลกลานไปเลยมันก็สนุกนง้ไม่เห็นอันนี้ก็เห็นเปิดเป็นการขนสง่งยานข้ามร่วงไปมันพาให้ไปเอง เมื้อกระโหลทำงานงานพาไปไม่ใช่เรามาคิดให้มันเกิดอะไรขึ้นเวลาเราทำอะไรมันถูกมันโชคงานจะพาไปปฏิบัติธรรมก็ทำนำไปมันง่ายถ้าเราใช้มันมันก็นำไปที่แรกก็ให้ที่หลงเพราะไม่เคยหัด <c oughs> พอหัดไปหัดมาง่ายที่จะไม่หลงฉันดวกระวัณพาไปเองทำนําพาไปเป็นทางไปฉ่ำผัดไปมันต่างกันผมหลงเป็นยังไงผมไม่หลงเป็นยังไงผมทุกข์เป็นอย่างไรผมไม่ทุกข์เป็นยังไง โกรธเป็นยังไงควมไม่โกรธเป็นอย่างไรมันก็ต่างกันไม่ต้องมีใครบอกเป็นปัจจิตตังของเทศของกิง่งเป็นสมมุติเป็นบัญญัติเป็นประมติอย่างไรเรื่องที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมันเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ไม่มากั ร, รวมลงเหมือนก็ตลาดนัด เป็นศูนย์รวมการศึกษามาเข้าแถวเรารูเราเห็นหมดไม่มีตรงไหนปิด่งังอำพางถ้าเราได้หลักดีีเหมือนกับคอมพิวเตอร์ข้อมูลต่างๆเข้ามาเรามีสติเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกก็ไปกันวนมันก็ไปถึงความถูกต้อง มันง่ายๆถ้าทําถูกมันง่ายถ้าทาผิดมันก็ยากนะสะดวกนะภาวะที่เห็นภาวะไม่เป็นเนี่ยมันสะดวกไม่ไม่ได้ออกแรงถ้าภาวะที่สู้ยากะถ้าผิดไม่อยากให้มันผิดมันจะยากจะหมดแรงอาจจะเกิดง่วงเหงาหงนอนเกิดความเครียดขึ้นมา อย่าเป็นเอาตรงนี้ให้ได้จึงจะเป็นจักแข่งทมเกิดขึ้นกลิ้งไปก็เห็นไม่เป็นเนี่ยมันแหลกไปแล้วภาวะที่เป็นต่างๆมันแหลกไปเลยเหมือนกับธรรมจักรที่มันกลิ้งไปกลิ้งไปตรงไหนก็แหลกไปตรงนั่นเป็นธรรมชาติเหมือนกับศีย กรรมจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิกรรมจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดโดยมีการกระทําเกิดขึ้นเนื่องจะเกิดถ้าไม่มีการกระทํะกการ ก, รทก็ไม่มีผลของการกระทําเกิดขึ้นมาแล้วจะมีกรมกรมกรรมฐาน คือมันก็ศักดิ์สิทธิ์คือที่ตั้งของการกระทํามีสติประกอบขึ้นมาประกอบขึ้นมาตั้งขึ้นมามาอะไรมันจะเกิดขึ้นต้องประกอบมันใช่ของได้มาเฉยๆไม่ใช่มาจะได้มาโดยความคิดเป็นการกระรทําทํำท้งกายทำํำท้งใจ มันจะหลงกันไปทั้งไหนไมันมีไหมหลงอ่ะความไม่หลงนี่มีไหมไม่น่าจะจนใช้ชีวิตให้มันชอบลองดูอยู่โดยชอบลองดูก็หลงไม่หลงก็หมดแรงหมดเชื่อได้หลงเป็นหลงสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ น่าจะสนใจเรื่องนี้ให้ได้มันนานเท่าไหร่แล้วต่หลงจนตายโกรธจนตายทุกข์จนตายเช่นนั้นหรือชีวิตเรา็าไม่มีหลงมันก็ไม่มีทุกข์ไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมันก็ตั้งต้นตรงนี้เป็นการเป็นการได้ความถูกมาเป็นพวงพวง เร่ม ต, ต้นถูกนะโดยวิชากรรมฐานศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธ์เป็นการกระทําแล้วก็มีชีวิตเพื่อการนี่โดยตรงใช่รูปใช่น้ํามันก็เห็นเมื่มันเห็นเราอันความหลงความสุขความทุกข์เกิดกับกายกับใจนั่นแหะอันที่แรกก็เป็นกายเป็นใจถ้าเป็นกายเป็นใจนี่ ยังใช่การไม่ค่อยได้เท่าไหร่จากเป็นตัวเป็นตนอยู่ได้เห็นเมื่อกายเชั่วากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เ, เห็นจิตเห็นธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เห็นไม่ใช่เป็ น, นก็เป็นศักแต่ว่าไปก็เห็นเป็นรูปเป็นนามกายมันก็เป็นรูปจริงๆน้ํามันคยอรูปอะไรได้ จบมาใช่ได้จะยกมือก็ยกมือเป็นจะเคลื่อนไหวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ทำเป็นใช่รูปใช้น้ำให้มันทำกรรมแต่เห็นเป็นรูปเป็นนามเราแตกฉานแต่ก่อนเรียกว่าุศกเรียกว่าทุกข์ผิดถูกพอเห็นเป็นรูปเป็นนามเราไม่ต้องเรียกว่าผิดว่าถูกว่าโศกว่าทุกข์ เ่อพอใจไม่พอใจไม่มีคําเรียกแบบนั้นถ้าเป็นรูปเห็นรูปเห็นนามแล้วเรียกมันว่าเป็นอาการเป็นอาการแต่ก่อนคือเป็นตนเป็นตัวเป็นตนเราล้นเราหนาวเราหิวเราปวดเราเมื่อยมันเป็นกายต่อไปเราจะเห็นเป็นรูปความล้นความหนาวความปวดความเมื่อยเป็นอาการไม่ใช่กาย เป็นอาการอาการไม่ใช่ตัวใช่ตนอาจะขอบคุณมันถ้ามันหิวก็ขอบคุณความหิวเพราะมันเป็นรูปอารูปมันหิวไม่เป็นมันก็ไม่ใช่รูปร้อนหนาวไม่เป็นมันก็ไม่ใช่รูปปวดเมื่อยไม่เป็นมันก็ไม่ใช่รูปที่มันแสดงออกตามความเป็นจริงของมันเราได้ประโยชน์จากมัน นี่คือเป็นอาการธรรมดาผิวผืดผืนผืนไม่มาเป็นตัวเป็นตนแต่ก่อนลรไปตนตนอยู่ในภาวะที่มันเกิดขึ้นมากับกายกับใจมากมายเป็นพบเป็นชาติก็เรามาเห็นเนี่ยเห็นรูปเห็นนามรูปนามมันบอกมันเป็นหลักสูตรไป ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนควมเป็นทุกข์มันมีอยู่ในรูปในนามนี้มันก็แสดงออกเราก็ได้ผลอจากมันได้ประโยชน์จากมันแต่ก่อนถ้าเราไม่เห็นความไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนก็เป็นทุกข์ความปรารถนาชิงได้ไม่ได้ก็ฉิบงนั้นเป็นทุกข์ควไม่เห็นแล้วมัน ไม่ใช่ตัวตนที่มาเป็นทุกข์ไม่เป็นาการไม่ใช่ความจริงในขั้นความโกรธความโลภความหลงมันเป็นสมมติบัญญัติที่มันบัญญัติขึ้นมาไม่ใช่ปรมตาจัจรก็ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเป็นปรมตาจัจรในความโกรธมันไม่ความไม่โกรธในความทุกข์มันไม่ความไม่ทุกข์ในความหลงมันไม่ความไม่หลง ในความก็เห็นไปเห็นกระแสไปในความเกิดก็ม่ความไม่เกิดในความแก่ก็มีความไม่แก่ในความเจ็บก็มีความไม่เจ็บในความตายก็มีความไม่ตายมองเห็นกระแสไม่จนกระแสหนทางไปไม่จนเป็นทางไปเห็นเหมือนเกิดเห็นก็เห็นความไม่เกิดอะไรมันเกิดเกิดภาษาคนเกิดภาษาธรรม เกิดโกรธความโกรธก็แก่เจ็บตายไปในความโกรธความหลงก็เกิดเกิดหลงขึ้นมามนก็แก่ทั้งความหลงมันไม่มีตัวมีตนเอาหลงไปอีกข้างจีหอนเราโกรธจีข้างจีหอนเราไปยึดว่าตัวว่าตนก็เลยเสียเปรียบมานเราไปเห็นมันเป็นอาการเป็นอาการ เด็กๆน้อยที่มันแสดงออกมันบอกความเท็จความจริงตัวเราในความโกมันก็ไม่เที่ยงคล้ายๆว่าอย่างนั้นความโกดัไม่ใช่ตัวตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราใ น, ค, นความสุขความทุกข์ก็เช่นกันเราจึงเห็นมันจะเป็นอย่างไรถ้าเรามีสติอย่างนี้ให้เห็นอย่างนี้เกิด กระแสเกิดยานลู่แช้งอย่างนี้มันจะเอาได้หรือมันข่มขืนตัวเองไม่ได้บางครั้งให้หลงบางครั้งให้รักบางครั้งไม่พอใจไม่พอใจมันไม่มีรูปนามมันบอกอะไรที่มันเกิดกิดลูกกัดามันบอกหมดความหมาเที่ยงเป็นยังไงความเป็นทุกข์เป็นยังไงความไม่ใช่ตัวตนไงเป็นอย่างไร หลังที่เราได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าน่าฟังดีๆนมันเป็นเหมือนการขนส่งกานกับทุ่นแรงกรอบานการยิ่งเกิดความชัดเจนขึ้นมาอย่างนี้เกิดจากการกระทําของเราเนี่ย้าไม่หลงเห็นมันหลงนั่นแหละใช่เลยแล้ว ถ้าหลงมีอยู่เรียกว่าใช่ได้ความทุกข์มีอยู่ก็ทให้เราใช่ได้ความทุกข์ทให้เราไม่ทุกข์ทให้เราเข้มแข็งความทุกข์ทำเรามีความเข้มแข็งความยากลําบากทําเราเข้มแข็งแต่ความสะดวกสบายทำํำเราอ่อนแอได้มันหลงเข้มแข็งตรงไหน ถ้าความหลงเป็นหลงมันอ่อนเอยมันเข้มแข็งตัวนี้มากนะมันจะเกิดอะไรขึ้นความทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรความหลงกลายเป็นความไม่หลงสงขารกลายเป็นวิสังขารมันเปลี่ยนอย่างนี้นะมันที่ว่าปฏิบัติปฏิบัติคือเปลี่ยนล้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูก เปลี่ยนได้หมดด้วยปฏิบัติมาไล่เป็นดีหมดอะไรที่มันเกิดกับกากับใจเนี่ยมันเปลี่ยนได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่ควรจะไปยอมจำนวนต่อมันกระตือล้วร่นช่วยกันโบ ก, กันถุยทุยเองเอาปล่อยทุเองหลง จะลงไปนานเท่าไหร่น่าจะน่าจะไม่นานเพราะมันไม่ถูกเก่งๆทุกคนเขาจะทุกไปนานเท่าไหร่เนี่ยมันมีอย่างนี้ชีวิตของเรามันทำได้ผู้ที่ฟังธรร ม, มเทศนาคือปัจจุบัคีโดยพระโกนทันยาใส่ใจติดตามไป พระพุทธเจ้าแสดงแต่เป็นเรื่องของตัวเองไม่ใช่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเอามาเป็นเรื่องของตัวเองพพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องชีวิตของเรานี่เราก็มีชีวิตเหมือนกันอะไรที่พระุทธเจ้าแสดงมันก็มีอยู่กับเราโคมยเที่ยงก็มีกับเรา เราไม่ใช่ตัวตนก็ไม่อยู่กับเราความทุกข์ก็ไม่อยู่กับเราเราก็ทําไปพร้อมๆกันโวนทั ญ, ญาายาใส่ใจทําไปพร้อมๆกันจึงได้ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์จิตได้เป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตน เ้าถึงได้มาช่วยตัวตนก็มาขวนถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราพระเจ้าแสดงอย่างนี้ค mm. นญาก็ทำไปในใจ mm. ไปบิดตามอยู่ mm. ทำในใจอยู่ mm. เห็นด้วย mm. เห็นด้วย mm. ตอบรอบตอบสนง mm. เหมือนกันให้ยารักษาโรคเราไม่โรคคือความหลง ผู้เจ้าให้ยาเห้ความไม่หลงเห็นมันหล ง, งก็สัมผัสไปตอบสนองเหมือนคนป่วยตอบสนองอยาที่หมอให้แต่ว่าการกระทำปฏิบัติธ ร, รรมเนี่ยมันง่ายกว่านั้นมันไม่มีวัตถุอะไรมันเป็นนามธรรมทำได้ใครเคยหลง พระเจ้าถึงรพระเจ้าแสดงธรรมถ้าใครเคยหลงพระเจ้าบอกว่าเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงที่ว่าเดียดฉัตรชีทุกเป็นเรื่องกําหนดรู้ทุกฝังอย่างกําหนดรูยย้โดยการรูยายาย้ยยรเป็นเยยยัญติทุกทุกครั้งปริยายัญติยาภิกเวตตติเมภิกเบ อเมชุจเตสุจักุงอุทธปาติญาอุทธปาติเนี่ยทุกเป็นลเยเยนติเป็นการกําหนดรู้ไม่ใช่ทุกันเป็นทุกกําหนดรู้ด้วยการรู้รู้เร็วนี่คือทุกต่อไปอีกทุกกําหนดรู้ด้วยการละ ทุกกนหนดรู้ดยกันทำให้หมดไปไม่มีสามลักษณะเมื่อเราเห็นงูเห็นแล้วเห็นงูพิษแพ่แม่เบี้ยเห็นหนี่มันดีแล้วป่ะนถ้าเห็นงูทำไงถ้าคนเห็นทุกมนคนเห็นงูว่าเห็นงู ก็ถอยออกมันเข้าไปหางูเรียกว่ากำหนดรูดโดยกันละออกไปก่อนไม่เข้าไปโตไปอีกข้าที่สพ้นจับงูนั่นมีอยู่อย่างนี้ทุ ก, ทกเห็นมันทุ ก, ทกออกจากทุกพ้นจากทุกเรียปริวัดสามอาการ1ิบสอง ในทุกในสมมุสไทยในนีโรดในมรตทมอย่างเดียวกันหมดเป็นทฤษฎีที่ที่ใช้ได้สำหรับวัฒนะพัฒนาตัวเองจะไปใช้กับจิงใดก็ได้ในทฤษฎีแบบนี้ตรงไใช้กับกายกับใจนี่ ยิ่งเหมาะสมได้กับการศึกษาเรียนธราม า, าจินก็เหมาะสมเป็นธรรมแห่งการทำให้เกิดตารตัดสู้ของจิตงินประเสริฐจะอุทัยก็เช่นกันเหตุที่มันทำให้เกิดหลงเกิดทุกข์มันคืออะไรรู้แล้วมาจากอันนี้แล้วก็ กยามละก็ยามไม่ทำอีกไม่คิดอีกไม่ต้นรับมันอีกเหมือนกันหมดมรกก็คือเห็นแล้วเห็นแล้วมรกคือดูมรกคือดูคือเห็นนี่ว่าทางสติที่เราสร้างอย่างนี้มันเป็นการดูนะไม่ใช่การ รู้เนาะรู้เห็นพุ๊เห็นนะจุดท้ามันคือเห็นสติปัฏฐานไม่ใช่สติธรรมดาสติปัฏฐานมันพกเห็นมันถึงเห็นถ้ามาเห็นมันก็มันง่ายๆที่ไม่เป็นนี่ยมันพกเห็นแบบนี้สติปัฏฐานสติธรรมดามันเป็นได้ใครก็มีสติได้สัตติริชานก็มีสติ แต่จิติปฐานไม่ปสติที่ที่ตู้โตบทักท้วงไม่ใช่สติไปตามมันใอ้เคก็รู้แบบนั้นสตินะ่ะไปโจรผู้ไร่ก็มีสติไม่เจ็บเป็นลักไปกระโม่โจกทางไหนเวลาไหนเจ้าของนอนหลับเจ้าของประมาทในเวลาใดแต่วิ่งออกไปทางไหนมันก็วางแผนได้ทำให้ชั่วที่สำเร็จ เราก็มีสติม่นั้นมันไม่สติมันไม่ใช่สติโต้ตอไปกับอาการไปกับอารมณ์ที่ทําผิดร่วมแล้วร่วมการทําผิดแต่ตีปัญหามันโต้ตอมันเห็นเนี่ยถ้ามันเห็นแล้วมันจะทํำยังไงบัด น, นีมน้มันก็มันก็หลุดพ้นไปในตัวเสียๆแต่เห็นนี่หลุดพ้นแล้วถ้าเป็นนี่ไม่ค่อยจะหลุดพ้นครับ สติปัฏฐานภาวะที่เห็นเห็นกายเห็นเวทนาเห็นคิดเห็นทำเนี่ยล้นก็หลุดพ้นแล้วถ้าเห็นทั้งหมดในทุกในชมุทัยในโลดในมรรคคือมันเห็น่เนียมรรคคือมันเห็นเมนทางไปไม่ใช่มรรคไปท่องจำ สมมาทิฏฐิสัมมาอะไรสมมาวาจาสัมมาอาชีวาสัมมากรรมตาสัมมาวาจามาสัมมาสติสัมมาสังาทิแอย่างั้นเกี่ยวอยู่ที่เห็นเนี่ยเมื่อเห็นมันก็ทาถูกผู้ถูกทาถูกเกี่ยวเข้ากับจิตถูกหมด หลงไม่ถูกต้องไม่หลงถูกต้องนี่คือเห็นอย่างนี้ทุกไม่ถูกต้องไม่ทุกมันถูกต้องโกรธไม่ถูกต้องไม่โกรธถูกต้องมันก็เห็นไปอย่างนี้มันก็เลยเป็นการชอบไปชอบไปหมดมันก็ทำแบบเรื่องที่มันเกิดขึ้นถูกต้องกมหลงเปลี่ยนไม่หลงถูกต้องที่สุดควมทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์ถูกต้องที่สุดนี <N> ่ <dois> ฉันเิดเป็นธรรมจักญขึ้นมาในรัชทสี่อาการเจอาการปรัจจยสามอาการ1จบสองแต่ละสีะอ่อย่างสีอย่างคือทุกขสมุทัยโลภมรรคมัน ไ, ไปรวมอยู่ที่อย่างละสามันก็เป็นสิบสองธรรมจักญัก็มีสิบสองที่ ธรรมจักรเกิดขึ้นแล้วหมุนไปแล้วนี่เราจะทำไงที่นี่วัดป่าสุขโตกำลังจะทําธรรมจักรให้เกิดขึ้นเป็นรู ป, ปรธรรมในรอบลํำลึกครบล้อยปีหลวงพ่อเทียนกำลังทำฐานไว้ที่ลานธรรมเอาธรรมจักรมาตั้งที่นั่น ให้หมุนไปใ ห, ให้เป็นปรูปธรรมในการครบรอบหลวงปู่เทียนที่เป็นชีวิตหนึ่งที่ร่วมให้เราได้สอนเราในเรื่องนี้ให้เราได้เห็นเรื่องนี้อย่างน้อยในธรรมเทศนาของพระเจ้าในการนี้ก็เป็นฝุ่ทุดีนิดนอยอยู่ในหัวใจของเรา ในพราประบาดขององค์ม า, าคิดอยู่ในหัวใจของเราเห็นด้วยไม่มีอะไรขัดแย้งเลยขอตื่นขึ้นมาจากชีวิตหนึ่งจะไม่ใช่กายใช่ใจหรือรูปที่นำให้เป็นสุขเป็นทุกข์เด็ดขาดไม่มีสุขไม่มีให้ไม่มีให้ที่ให้สุขให้ทุกข์มาตั้งไว้ก็อขอพูดว่าไม่เป็นอะไร กับอะไรคำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรในลูกทั้งหลายเนี่ยเป็นอิสระภาพเป็นชีวิตที่มีมาตรฐานเป็นชีวิตที่เป็นอะไรมามาทำให้เป็นไม่ได้ความไม่เป็นอะไรเนี่ยสุขก็ไม่ม่ทำให้เป็นสุขไม่ได้ทุกข์ก็ทำให้เป็นทุกข์ไม่ได้ชีวิตนี้แหละ จะเป็นความอะไรคมเกิดเกยเจ็บตายจะว่าทัำไมชีวิตที่ไม่เป็นอะไรไม่ได้ขอใช้ชีวิตที่ไม่เป็นอะไรอะไรแม้แต่วินาทีเดียวก็จะขอชีวิตอยู่แบบไม่เป็นอะไรอะไรก็ปล่อยไหลเลยนี่คือธรรมจับน้อยๆเกิดในหัวใจของชีวิตของพวกเราไม่รู้จะพูดคําใดแล้ว ขอผูดในผู้มีปัญญาทั้งหลายได้พิสูจน์ดูว่ามันเป็นยังไงไม่ต้องไปเชื่อทําดูสัมผัสดูในลรามันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเวลามันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เวลามันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธหากมีหลงมีทุกข์มีโกรธมีโลภมีพอใจไม่พอใจขอให้เห็นอย่าเป็นไปก็มันลองดูมันไม่ไปถึงไหน หมดเชื่อได้หมดแรงได้จืดได้ไม่มีรสชาติเรื่อง น, นั้นรสพัทับคือไม่เป็นอะไรชนะโคตรท่องพวงยิ่งใหญ่นะไม่มีอะไรที่ทำให้กลายเป็นอื่นได้เพราะว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยจะเป็นยังไงให้พิสูจน์กันดูทดําดูอย่าไปเชื่อเอาไปทําดูก่อนนะ นี่ก็เป็นวันที่เราได้ทําก็มาถานเขืมกันมาในบางปังเทศพระเจ้าก่อนแรกธรรมจักรวัตสูตรเป็นส่วนประกบให้เราได้คล้ายๆกับท่าทายถ้าไม่เกิดก็ไม่ควรไม่เกิดไม่แจ็ไม่คว่ไม่เจ็ไม่เจ็บไม่คว่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ก็ไม่ควรไม่ตายอยู่แน่นอน ชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บไปตายก็ามาอยู่ตรงนี้ถ้าไม่เหนือตรงนี้ก็ไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ต้องเรียกว่าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธเจ้าเพราะอยู่เหนือการเกิดแเจ็บตายจึงจะเรียกว่าจึงได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นพิธีกรรมอื่นถ้า ถ้าถึงที่สุดคือไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายแล้วอันอื่นเ็าเกิดขึ้นเป็นสาชนพิธีเป็นสาสนบุคคลเป็นศาสาวัตถุเป็นสาชนาธรรมเปิดขึ้นมาเพื่อเราได้ใช้ให้เราได้อยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีว่าฉกวชิกาต่อจากนี้มันก็เป็นอยู่นี้ที่แรกก็เกิด อตจาตัดจะรูเหนือการเกิดเจ็บตายเราจึงสมบูรณ์แบบในพุทธศาสนาในคำสอนในรูปแบบฤทธิ์สูงก็ไม่อยู่จริงๆพิกชนีก็มีอยู่ว่าจกก็ไม่อยู่วาจิกาก็ไม่อยู่อันนี้ก็เป็นสถานเป็นสถานะ เป็นสาสถานของศาสนาแล้วก็มีสิทธิมาใช้ได้ไม่ต้องไม่ต้องขอาตาิใครเป็นสมบัติของเราอา น, นี้แล้วก็อยู่ได้ไม่มีครอปสิบัติเหมือนกันหมดอ น, นี้จึงให้อย่าจนเถิดเรื่องนี้ อย่าโจนให้ความหลงในความทุกข์ในความโกรธก็ก็มันก็ยังมีเรียกแมลงมาดูาพูดยังไงนะก็สมควรเจรเวลาวั ก, า, ก า, าพระพร้อมกัน